เมื่อวานเป็นวันครบ49วันของการลัสังขารของท่าอาจารย์ติดนัทฮันนะหรือนะที่คร้ายๆเรียกว่าหลวงปู่นะที่หมู่บ้านพลัมนะซึ่งเป็นสำนักของท่านนะที่เขาใหญ่ก็ได้จัดพิธีศักการะแล้วก็รละลึกถึง ตัวท่านอาจารย์ตามประเพณีของมหายานนะที่นิยมทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงลับนะเมื่อครบ49วันอาตมากับคณะสงฆ์วนะัดปากสุขโตกก็ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญบุญนี้ด้วยอนอกจากการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องข้อธรรมคำสอนนะของหลวงปู่แล้ว เราก็มีการาสวดมนนะตามประเพณีของมหายานคณะสงฆ์ไม่ได้สวดอะไรนะนอกจากาสวดตามประเพณีไทยมีการสวดอภิธรรมรวมกับคณะสงฆ์ที่มหาจุฬาซึ่งมีการ ประชุมกันนะที่หมหาจุฬามหาเทืล า, ายลนะที่วังน้อยนะก็ถ่ายทอดกันทางออนไลน์ก็เร่มีประเพณีนะทั้งฝ่ายหมหายานะแล้วก็เทรวาส่อเพิธีเนะี่ยทางเจ้าวาดนะท่านก็มอบคติธรรมนะเป็นข้อความใน ในแผ่นนี้แผ่นเล็กๆสำหรับติดไว้ที่เสือ้อหรือว่าที่จีวรแก่ผู้ที่มาร่วมงานข้อความนี่ก็เป็นกติธรรมของหลวงปู่นะมีแปลเป็นภาษาไทยนะว่าเนี่ยมาและไปในความเป็นอิสระเป็น ข้อความเตือนใจที่ดีมากเลยนะโดยเพราะในโอกาสนี้ข้อความนี้ถ้าพูดให้ง่ายสักหน่อยก็คือว่ามาและไปด้วยใจที่เป็นอิสระความหมายง่ายๆคือว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็ให้ไปและมาด้วยใจที่อิสระโปร่งเบานะ อย่าวิตกกังวลอย่าวาดกลัวนะเพราะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยล้วก็มีความวิตกนะมีความเครียดมีความกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้านั้ น, นเนี่ยนะเราจะเจออะไรบ้าง อันนี้เพราะอะไรเพอใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอนาคตมันก็เลยปรุงแต่งนีสิ่งต่างๆที่ชวนให้วิตกชวนให้กั ง, กงวลนะรวมที่ก็ชวนให้เครียดนะเช่นถ้าใจเนี่ยไปอยู่กับเป้าหมายแม้จะเ ป, เป็นเป้าหมายที่เรารู้ว่าหรือเชื่อว่าเนี่ยดีเป็นที่ที่เราจะได้พบกับความสุขหรือว่าสนุกสนานเช่นไปเที่ยวไปสถานที่ ที่เป็นสถานท่องเที่ยวแต่หลายคนก็ไปด้วยใจที่ไม่อิสระนะเพราะว่าเอาแต่คิดว่าหรือวิตกว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงนะย้ายถึงเร็วๆอย่างนี้ก็เครียดได้เหมือนกันนะเรื่องนี้แบบแบบนี้ก็เรียกว่าใจไม่เป็นอิสระไม่ผ่อนคลายเพราะอะไรนะเพราะใจนี่ไปอยู่กับอนาคตแต่ใจเราจะเปอิสระได้เมื่อใจเราอยู่กับปัจจุบัน จะไปไหนมาไหนจะถึงหรือไม่หรือถึงหรือยังก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับสติอย่างนี้ก็เป็นอิสระได้นะเมื่อถึงแล้วเนี่ยนะใจก็นะไม่ได้เกาะเกี่ยวยึดติดถือมั่นนะกับสิ่งใด อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดและเมื่อถึงเวลาที่จะไปจากที่นั้นนะก็ไม่มีความอะไรอววรนนะไปด้วยใจที่อิสระอันนี้ก็มีพุทธภาษิตนะสอนใจว่าเนี่ยให้ไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนกับนกนะคือไปลูกีนมีแค่ปีกสองข้างเนี่ยก็ไปไหนมาไหนได้นะ ไม่มีภาระที่ต้องแบกไม่มีความกังวลที่จ ะ, ะรบกวนจิตใจมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราไปด้วยใจที่สระนยอยู่กับปัจจุบันความอิสระก็เกิดขึ้นกับใจได้แต่ว่าข้อความนี้ที่จริงเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะที่ว่ามาและไปในความเป็นอิสระหรือมาและไปด้วยใจที่อิสระเนี่ยยังหมายถึงว่าเนี่ย มาโลกนี้แล้วก็ไปจากโลกนี้ด้วยใจที่สละบุตรชนเนี่ยนะเวลามาโลกนี้ก็ไม่ได้มาด้วยใจที่สละนะเรานึกภาพนะเด็กเนี่ยที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนที่จะคลอดออกมานี่โอ้ยเด็กเขากลัวนะเด็กเขาอยากจะอยู่ในท้องแม่เข า, าอยู่ในท้องแม่แล้วสบายอบอุ่นแต่ว่าพอจะออกจากท้องแม่นี่ กขจะขัดคืนก็จะต่อต้านก็จะไม่ยอมนะหมอที่ทำคลอดหรือว่าแม่ที่ตั้งครรภ์หรือที่คลอดลูกนี่รู้ดีนะจะต้องเบ่งจะต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้เด็กเนี่ยออกมาจากท้องแม่ให้ได้แต่เด็กก็ไม่ยอมนะพอมาแล้วก็ร้องไห้ด้วยความกลัวกลัว โลกที่โลกกว้างที่ตัวเองจะต้องเผชิญนะเพราะไม่คุ้นเคยไม่เหมือนกับในคันหรือท้องแม่อันนี้คือการมานะของการมาสู่โลกนี้ของคนทั้งหลายเนะี่ยคือมาด้วยความกลัวมาด้วยความไม่แน่ใจหรือว่าเพราะว่ายัางหวงนะที่ที่เคยอยู่นะคือท้องแม่ คนเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็มาโลกนี้ด้วยความกลัวด้วยใจที่ไม่อิสระแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกใจนะในขณะที่อยู่ในโลกนี้ก็อยู่ด้วยใจที่เป็นอิสระได้นะคือไม่ยึดติดถือมั่นหรือกเกอะเกี่ยวในสิ่งใดนะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือแม้กระทั่ง ร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาที่จากโลกนี้ไปเนี่ยก็ไปด้วยใจที่อิสระนะแต่คนเราเนี่ยนะจากโลกนี้ไปเนี่ยยากนะที่จะไปด้วยใจที่อิสระเพราะว่ายังมีความอาลัยอาวรมีความเศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรนะเพราะว่ายังมีความยึดติด ยึดติดในทรัพย์ยึดติดในสถานที่ยึดติดในผู้คนเช่นลูกหลานคนรักแล้วก็ยึดติดในร่างนี้รูปนี้หรือในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นทุกข์นะไม่สามารถที่จะจากโลกนี้ไปหรือไปจากโลกนี้ด้วยความสกที่เป็นอิสระได้เพราะความยืดเป็นของกูของกูที่จริงถ้าเรา เวลาเราจากโลงนี้ไปเราก็ทําใจนะเหมือนกับเวลาเราออกจากห้องพักนะเราไปพักที่โรงแรมเลยไปพักที่รีสอร์ทไหนก็ตามนี่แล้วว่าในขณะที่เราพักนี่เราก็ไปยึดนะหรือเรียกว่าห้องนั้นมาเป็นห้องของฉันห้องของฉันทั้งนั้นนี่เป็นของโรงแรมนะมันไม่ใช่ของเราแต่เราก็ไปยึดสําคัญหมายเป็นของเราของเราห้องนี้ของฉันแต่ถึงเวลาที่เราออกจากห้องนั้นไปถึงเวลาที่เราเช็คเอาท์จาก โรงพยาบาลโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทนี้เราไม่มีความอาลัยเลยนะเราออกจากห้องพักออกจากโรงแรมนะด้วยใจที่รู้สึกสบายเป็นปกติงั้นถ้าเราทําใจอย่างเงี้ยเวลาเราออกจากหรือไปจากโลกนี้เนี่ยนะโอ้มันจะเรียกว่าหมดทุกเลยงั้นฝึกใจไว้นะฝึกใจเอาไว้นะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปนะ เราจะจากไปด้วยใจที่เป็นอิสระนะเรียกว่าไปในความเป็นอิสระซึ่งจะทําได้ก็เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆหรือถึงแม้จะยึดก็ยึดเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะนั้นถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางได้นะเวลาเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความอะไรจิตจะเป็นอิสระ แล้วก็ไปสู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าได้นะด้วยใจที่เบิกบานผ่องใสแล้วก็เตือนใจไว้นะมาและไปในความเป็นอิสระ